จิตที่ตั้งไว้ผิดดิโซดีซั่งยันตังกยิราเวริวาปะณะเวรินังมีชาปณนิฮิตังจิตตังปาบิโยนังตโตกเรโจรเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทําความพินาศใดต่อกันจิต ท, ที่บุคคลตั้งไว้ผิดยังสามารถทําความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกอธิบายความคําว่ า, วาจิต ท, ที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคถานี้ ท่าหมายถึงตั้งไว้ในอกุศุลกรรมมบทสิบมีปาณาทิบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฐิเป็นประโยชสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทำนองคลองทำเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทำดีศูนย์เปล่าทำชั่วศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมากทำความวอดวายใหม้มากกว่าโจรและคนมีเวรต่อการจะพึงกระทำแก่กันท่านว่าคนพวกนี้ทำความพินาศให้แก่การอย่างมากกว่าเพียงชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิด ยอมให้ทุกขให้โทษนานกว่าสามารถให้สวยทุกขในอบายวสีไม่รู้จักจบสิ้นจิตของบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดอันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลลกรณีพระศาสนาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แกว้งโคศนทรงปรารบในโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนมัง่งคั่ง แต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถพินทิกะเศรษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบรีบทั้นของพระราชาจึงทําตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทํานองเดียวกับชดินชื่อเกนิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่นายนันทะถือเอาปัญจโกรธในการอันสมควรเมื่อมาสู่สํานักของท่านอนาถพินทิกะ เขาได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมและทูลวิงวอนพระศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบ้านพระศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่จึงไม่ได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของนันทโคบาลแต่ไม่ได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแต่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขา นายนันทะสทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโครสทานอันประณิตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอนุปุพิกาา5ห้าคือหนึ่งทาน 2, สองศีลสามสวรรค์ี่โทษของกรรมห้ 5, อาอนิสงฆ์ในการหลีกจากการรมมีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนานายนันทะได้สเร็จเป็นพระโสดาบัน รับบาปพระาศาสดาแล้วตามทรงสเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาจากเขาแล้วรับสั่งให้กลับขณะเขาเดินกลับนั่นเองในพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตายหมู่ภิกษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระาศาสดาว่าความตายของนันทะมีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระาศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาข้ตาม นายนันทาจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนนายพรายจะต้องฆ่าเขาพิกสุทธทั้งหลายจิตซึ่งตั้งไว้ผิดย่อมทั้งความพินาทใาแกต่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทำแก่กันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพน์ว่าดิโซดิสังยันตังค์ยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ตน